ร้อนผ่านหนาวผ่านมืดผ่านสว่างผ่านดีผ่านชั่วมาหมากไมยหลายๆอย่างแต่ที่ผ่านมานั้น เ, เรามาถึงจุดนี้เรามาบวชในพระพุทธศาสนาเรามาศึกษาธรรมพระธรรมคําสอนของพระพุทธทเจ้าเราเข้ามาศึกษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธทเจ้า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 คือการเสียสละแล้วคนนั้นก็เป็นคนดีอยู่ในสถานที่ใดเพระนั้นอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าจะว่าคารวะธรรมธทำของคารวะจากนั้นพระพุธองค์ยังไม่เพียงพอที่จะทําจุดนั้นอีกต้องให้มีศินห้าสินห้าี่าคือศินคุ้มครองสําหรับคารวาะหญิงชาย ให้เป็นผู้มีสินแต่ก่อนที่จะมีสินบรรพุรุษของพวกเราปู่ย่าตายายของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาท่านละลำ ล, ะ ล, ำ ล, ลำลึกถึงพระคุณลำลึกถึงบุญคุณล้ำลึกถึงพระคุณศินเนี่มาจากไหนมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ท่านได้ตัดสรุป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 ข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสครั้งพอเราได้วิเคราะห์ดูแลวว้วเนี่ยพระพุทธศาสนาประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าเพราะนั่นก่อนที่เราจะรับศีลมาปฏิบัติเนี่ยเรานอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนเพราะเป็นต้นศาสดาเป็นต้นคิดเรื่องศีลธรรมจุดนี้ จากนั้นกันพุทธังสรารนางคัตฉามิคือพระพุท ธ, ธเจ้าเองทำรรมังสรารนางคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้สาสังขังสารนางคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์สาวก ข, ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งเป็นสาระเป็นที่พึ่งนี่แหละดูติยามปิข้าพเจ้าขอถึงครั้งที่สอง พุทธงทาางังธรรมังสังขังสารนังคัจฉามิตาติยามปิพุทธงทังธรรมังสังขังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ok พระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สามยึดพระเป็นพระไตสรสารณคมพุทธังสรารนังสรารนังคือสรารนะยึดพระเป็นสรารณคมพระไตรสรณคมถึงสามครั้ง พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์อเองอย่างที่ได้กล่าวนะพวาเราวิเคราะห์ดูแล้วเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากพระพุทธเจ้าแต่เร่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระธรรมคือคำสอนออกมามีศรรมินห้าบังมีพระธรรมแปด0 0ื่นสีพันพระธรรมมขันเรื่องศินสมาธิปัญญามรต่างๆมักแดต่างๆ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 มารักมาขโมยสิ่งของของเราที่เรารักสงวนห่วงแหนเราจะเสียใจมากขนาดหน่อยนี่อันนี้คือสรุปแล้วก็คือเขาเราอีกเช่นเดียวกันเมื่อเรารักของเราเราก็จะไปเบียดเบียนจะไปขโมยของเขาเนี่คือสินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิสาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาไป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 มุสาคำเนี่ยนะมันมากทำให้เสียหายอย่างมากอย่างเราไม่มีเงินในธนาคารเราก็เขียนกระดาษเป็นเช็คให้เขาไปค้ำให้เขาแต่ผลที่สุดตัวเองกหลบหนีไปให้ห่างไกล เ, เพื่อจะเอาตัวรอดซะก่อนเขาก็เอาเงินไปขึ้นเช็คผลที่สุดไม่มีเงินอันนี้โกหกไหมนี่หละ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 ข้าพระเจ้าอ้อเธอข้าพระเจ้าได้ยินแล้วสินและธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงข้าพระเจ้าจุข้าพระเจ้าคนหนึ่งจะเป็นผู้มีสินห้านับหนึ่งจะข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพระเจ้าจะไม่โคขโมยสิ่งของคนอื่นเขาข้าพระเจ้าจะเคารพสิทธิในสามีภรรยาคนอื่นเขาข้าพระเจ้าจะไม่โกงข้าพระเจ้าจะไม่ดื่มชูกาโดยเด็ดขาด นับหนึ่งจากข้าพเจ้าเพราะเรารู้คุณค่าพระธทำคําสอนที่พระพุทธองค์วางไว้แล้วเห็นโทษในเมื่อเรากันกรองด้วยเหตุด้วยสติด้วยปัญญาของเราแล้วนี่แหละอยากจะให้พระลูกพระหลานทั้งหลายมองเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปมองเป็นอย่างอื่นมองเข้ามาหาตัวเองในเมื่อเรามีศีลห้า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 มาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ให้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องศีลธรรมจริยธรรมแนวความคิดแลอแนวความประพพืชจำหรับจะเดินดำเนินชีวิตของพวกเราต่อไปภายภาคหน้าละเมื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วเราได้กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเราจ ะ, จะไป